ถ้าเราเห็นคนของพระบรมศา ส, สดาได้เนี่ยก็อย่างคำว่าติเนี่ยนะมาจากคำว่าติโนโยสะพะปาเปหีติโนสักขาปฏิทิโตติโรนิพานสังาเตติขญานังนามิหังพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงข้ามไปจากบาปธรรมทั้งปวง พระพุทธเจ้าน่ะข้ามจากราคาโทสะโมหะมานะทิถิวิจิกิจฉาได้หมดแล้วทรงข้ามจากแม่น้ําแม่น้ำเนี่ยเป็นชื่อของสาครทั้งหมดนะเขาเรียกโลกียมหาสมุทรโลกียะมหาสมุทรเนี่ยเป็นชื่อของกามลปรูปอบภพและอะรูปภพโลกียะมหาสมุทรนี้ยเราท่านทั้งหลายข้ามไม่ได้แต่พระบรมศาสดานะ่ะข้ามได้แล้ว ประดิษถานอยู่บนฝั่งก่าวคืออนุปาทาปรินิพานแล้วตอนนี้พระบรมศาสดาไปประดิษฐานอยู่บนฝั่งแล้วก่าวคืออนุปาทาปรินิพานกําลังกวาพหัดเนี่ยพกหัด พ, ห, ดพหัดเรียกเราท่านทั้งหลายบอกว่าเดินตามท่านไปดิแล้วก็เข้าไปถึงฝั่งตามท่านทีเธออย่ามัวชื่นอย่ามัวหลงไหลหรือว่าวนเวียนอยู่ในโลกิยมาสมุทร ห้วงน้ำมันเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายนานาชนิดในมหาสมุทรเต็มไปด้วยผีเสื้อน้ำกว่าเยอะใช่ไหมสัตว์ร้ายนานาพันธุ์ก็มากราคาโทรสาโมหะเยอะขึ้นในทะเลก็น่ากลัวเราเนี่ยนั่งสาเพาผิดลามาเยอะแล้วพระองค์ก็บอกให้ขึ้นสาเพาทองที่มันถึงจะไม่โครงเพลง น้ำเผาทองลำใหญ่ที่พระบระมาศาสดาแนะนําไว้ไงขึ้นมาแล้วจะป้องกันพยานอันตรายจะแหวกว่ายขึ้นโลกียหมหาสมุทรแล้วก็ข้ามถึงฝั่งเข้าสู่อนุปาทาปรินิพานที่พระบระมาศาสดาประดิษฐานอยู่บนฝั่งแล้วพระพระมาศาสดาประดิษฐานอยู่บนฝั่งกล่าวคืออนุปาทาปรินิพานได้แล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพราะองค์นั้นผู้มีพยานข่มกล้า พระพุทธเจ้ามีพยานคมกล้าใช่ไหมจึงเห็นเส้นทางและบอกสมเภาทองลำใหญ่ก็คืออริยมรรคนั่นเองนี่เราไม่ยอมกระโดดขึ้นอริยมรรคกันทีนี้เจอภัยใหญ่โตกันเยอะแยะหมดเลยอย่างคำว่าวาเนี่ยวานี่โดยมากจะเป็นชื่อของตัณหาก็ได้นะวาปินังวรังดมังวาณโมคายพภิคูนัง วาสิตังปาวเรดเมวาณหันตังนามามิหังข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้ทรงหวานพระธรรมมันประเสริฐแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุนีบาศกเลวบาสิกาทั้งหลายเพื่อให้พ้นจากวานะวานะนี่เป็นชื่อของตัณหาตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัดผูกศัพท์ให้ติดอยู่ในกามพก รูปภพและรูปภพร้อยสัตว์ให้ติดอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจร้อยสัตว์ให้ติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ทำมาลงใช่ไหมร้อยสัตว์ให้ติดอยู่ในสัตย์สมบัติต่างๆในอัตภาพต่างๆในกระแสขั น, นต่างๆในภพต่างๆในคติต่างๆไอตัววานาเนี่อร้อยละไร้รากาศมากนะักก็ร้อยสัตว์ติดอยู่แต่ว่าพระปรมศาสดาเนี่ย หวานพระธรรมหวานพระธรรมมันประเสริฐหวานศีลอันเป็นไปในภูมิสีหวานสมาบัติหวานวิปัสนาญาณหวานสิกขาสามหวานพระสัตธรรมนั่นเองลงในกระแสใจของสัตว์มีภิกษุเป็นต้นเพื่อให้พ้นจากวานะคือตัณหาเครื่องร้อยรัทธผู้อบรมแล้วในธรรมมันประเสริฐผู้กำจัดวานะคือตัณหาได้แล้วพู้อบรมมาตสดากำจัดได้แล้วพระองค์ก็เห็นโทษ ส่วนคำว่าข้าเนี่ยนะขาตตเยนัสดัมโมคาตับยาเนนาปานีนางขานิยังวรังดัมังคันหาเป็นตังนามิหังพระศัทธธรรมอันพระบรมศาสดาพระองค์ใดผู้มีพยานรู้ล่วงตรัสไว้ดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ยังสัตว์ทั้งหลายให้รับเอาพระธรรมที่ควรรับรับเอาอย่างประเสริฐอย่างสูงสุดแล้วตรงนี้ก็คือว่าพระโยคาวาจรเป็นคนมีปัญญาเนะนระชนเป็นคนเป็นคนมีปัญญามาแต่กำเนิดจะเห็นโทษเห็นภัยในสังสารวัฏจะเห็นคุณของพระบรมศาสดาแล้วจะดำลงมั่นอยู่ในศีลสีประการมีปาฏิโมกสังวรศีล อันต่างด้วยเจตนาศีลเจตสิกสังวรอวิติกมะดังที่ได้กล่าวแล้วคือการไม่ก้าวล่วงบาปประรมทั้งหลายเจริญจิตจิตในที่นั้นเป็นชื่อของสมาธิในชั้นของคณิกาสมาธิอุปจารลสมาธิและอัปนาสมาธิคือสมาธิที่ตั้งมั่นแล้วอบรมวิปัสนาปัญญามีความเพียรความเพียรก็คือตัวสมบัติานสี น, นั่นเองมีปัญญาบริหารตนปัญญาที่เป็นไปใน ฐานะเจ็ดรวมทั้งอียบบสรีด้วยเจ็ดบวกสี่ก็เป็นสิบเอ็ดนั่นแหละนั่นแหละบริหารตอนอยู่บริหารตนเองให้อยู่ในสิกขาสามเดินยังไงยืนยังไงนั่งยังไงนอนยังไงให้เป็นมชิมาปฏิปทาก้าวไปถอยกลับแลตรงแลเหลียวคู่เข้าเหยียดออกบริหารตอนอยู่อย่างนั้นแล้วนะพึงถางโรกชัดโรกชัดเปชื่อของตัญหา เมื่อกำจัดความมืดที่ปกปิดสัจจะด้วยอารามะมาคยานอย่างนี้แล้วมนทนแห่งสิ่งที่พึงรู้ทั้งสิ้นก็สว่างจ้าเป็นไปได้พร้อมเพียงกันข้อ น, นี้จะมีแจ้งนะในคำสอนของพระบรมศ า, าสดาเนี่ยทีนี้โดยบุคคลผู้มีขันธสันดานันบริสุทธิ์จึงเป็นพระพุทธเจ้าการที่มีความบริสุทธิ์ของบุคคลนั้นสามารถส่องเห็นสิ่งที่พึงรู้อันนั้นจึงเป็นพระพุทธคุณ พยานเนี่ยเป็นพระพุทธคุณคุณของพระผู้มีพระเจ้ามีมากเลยใช่ไหมใครสารเสริญพยานของพระพุทธเจ้าภาษาริบบทเบาสารเสริญพยานของพระพุทธเจ้าตั้งแต่อโนพระอนุมัติสีสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมภาษาริบุตรสารเสวนอนนาวรณายานอินตรียปโรปริยติยานสัพพยุตยานของพระพุทธเจ้าเป็นต้นบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีปัญญามากมีปัญญากว้างขวางมีปัญญาฉับเร็วมีปัญญาแหลมคมมีปัญญาอย่างหาเครื่องกําหนดไม่ได้เป็นต้น อันนี้สงแห่งการสรรเสริญปัญญาของพระบรมศาสดาภาษาที่บุตรมีปัญญามากไหมตอนนั้นพระบรมศาสดาพระโนมปัทศสีสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าท่านผู้ใดชื่นชมญาณของเราท่านผู้นั้นเราจักพยากรท่านผู้นั้นเห็นไหมท่านผู้เนี้ยบอกว่าจะท่องเที่ยวไปอีกยาวนานนี่นะจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพันครั้ง <laughs> เห็นไหมอันนี้สงการชื่นชมปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ย เราก็รีบกลับไปชื่นชมพญานงค์พระเจ้าเยอะๆจะได้เป็นอัตัจการตัดสู้ใช่ไหมก็ภาษาลิบุตรทําเป็นตัวอย่างแล้วว่าภาษาริบุตรเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าน้ําในมหาสมุทรเนี่ยอาจจะคํานวณได้ใช่ไหมว่ามีกี่ลูกบาศก์เม่ะแต่ใครจะคํานวณปัญญาของภาษาลิบุตรไม่ได้อันนี้ภาษาลิบุตรนะเมล็ดทรายในมหาสมุทรเนี่ยคํานวณได้ แต่จะคำนวณปัญญาของภาษาริบุตรไม่ใช่ฐานะจะคำนวณได้นี่แปลว่าอะไรที่ท่านได้ฐานะตรงนั้นมาแล้วท่านก็บอกว่าท่านผู้นี้เนี่ยนะจะเป็นพระเจ้าจาักรพรรดิพันครั้งจะเป็นพระเจ้าเอกราชเนี่ยนับครั้งไม่ถ้วนเพราะงั้นไล่ไปตามลำดับเนี่ยจะไม่รู้จักทุกกระเทียมเพราะงั้นเธอสิ้นแสนกลับอะแล้วบอกในพบสุดท้ายเนี่ยเนะยด้วยอา น, นิสงส์แห่งการพัฒน า, าเสริมคนของของเราเนี่ยเนะ่ ในพบสุดท้ายเนี่ยท่านภาษาลิบุตรเนี่ยจะได้เป็นอักราสาวกเบื้องขวามีนามว่าสาลิบุตรเนี่ยจะเกิดจากนางสาลีจะทําศาสนาของพระชินเจ้าให้งดงามแล้วจริงไหมภาษาริบุตรเนี่ยทําศาสนาของพระชินเจ้าของพระบรมศาสดางดงามมากอยากดูวภาษาลิบุตรนั้นแสดงศาสนาของพระบรมศาสดางดงามขนาดไหนก็ไปดูในปริสัมิธามาก ไปดูในจุลานิเทศไปดูในมหานิเทศนึงไปดูในสังคีติโสตทั้งหลายเนี่ยนะไปดูในวิธรรมวิกทั้งสิ้นเนี่ไปดูเร่ว่าภาษาริบุตรท่านทํำศาสนาของพระบรมศาสดาให้งดงามมากนี่คือคนมีปัญญาเป็นคู่บุญบา ร, รมีของพระบรมศาสดาเป็นอัคารส า, าวกเบื้องขวาก็ขนาดภาษาริบุตรนี่นิพพานเนี่ยพระศาสดาบอกประดุ ด, ดังต้นไม้ใหญ่กิ่งหักน่ะ ความงามของต้นไม้หายไปเลยส่วนหนึ่งนั่นแหละคือบุญที่เกิดขึ้นจากการสรรเสริญพระยานของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะนะอันจิตเกษริกทั้งหลายแล่นไปในอารมณ์ไม่ใช่ไม่มีอารมณ์อันอารมณ์เป็นสิ่งที่พึงรู้เป็นสิ่งที่พึงรู้หามิได้แม้พยานที่แล่นไปในสิ่งที่พึงรู้ก็อันหาประมาณมิได้ก็หาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นลักษณะย่อมอยู่ในฐานะที่พึงกําหนดมิได้อยู่ในอากาศดังนั้น เมื่อจะพูดถึงลักษณะก็เป็นการพูดถึงสิ่งที่ถึงกับถูกกาหนดเป็นต้นด้วยเมื่อพูดถึงพระคุณก็เป็นอานพูดถึงผู้มีพระคุณด้วยเมื่อพูดถึงผู้มีคุณก็เป็นกานพูดถึงพระคุณด้วยเป็นต้นเมื่อพูดถึงพรธเจ้าก็เป็นอันว่าพูดถึงพระคุณเป็นต้นด้วยฉะนั้นพระพุทธเจ้ากับคุณของพระุทธเจ้าเนี่ยแยกออกจากกันไม่ได้ใช่ไหมเช่นกรณีที่พระสัพพัญยุตยานของพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้า ส่วนพระธรรมทั้งหลายจเจตเจตสิกทั้งหลายที่ประกอบไปด้วยสัพพนิจญาณ น, นั้นก็เป็นพระพุทธเจ้าไปด้วยเพราะเป็นความบริสุทธิ์แห่งแห่งพระยานและซึ่งเป็นธรรมที่ก่ดเกิดร่วมกันกับพระยานนั้นแม้รู ป, ปรกายของพระบรมศาสดาเป็นที่อาศัยของพยานนั้นก็พลอยหมดจดและบริสุทธิ์เป็นต้นด้วยฉะนั้นคุณของพระพุทธเจ้านั้นก็คือว่ามีมากท่านกล่าวไว้บอกว่าเพราะพุทธคุณทั้งหลายนะั้นบริสุทธิ์ เพราะว่า พ, พุทธคุณทั้งหลายเน่เข้าถึงภาวะเป็นหนึ่งเดียวโดยลักษณะเพราะฉะนั้นพุทธคุณทั้งหลายก็คือพุทธญาณสิบสี่เวณิกระทามสิบแปดเป็นต้นเหล่านี้นะเวสาลัชญาณสี่ทศพรลญาณสิบเป็นต้นหรืออย่างยกตัวอย่างเช่นว่าในธรรมสิบแปดประการที่พุทญาณของพระบรมศาสดานเนี่ยนะไม่ติดขัดในอดีตพญาณของพระบรมศาสดาไม่ติดขัดในอนาคตไม่ติดขัดในปัจจุบันนะ กายกรรมทั้งกวงของพระองค์เนี่ยเป็นไปตามพยานนวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นไปตามพยานฉันทักของพระบรมศาสดาก็ไม่เสื่อมการแสดงธรรมก็ไม่เสื่อมความเพียรก็ไม่เสื่อมสมาธิก็ไม่เสื่อมปัญญาก็ไม่เสื่อมวิมุตติก็ไม่เสื่อมพวกเราเสื่อมไหมเสื่อมเยอะแยะมาน่ะฉันท่านี่ศรัทธาเราเสื่อมบ่อยไหมโอเสื่อมดยที่ในที่นั่งหลงเหลงหลงเหลงอย่มง้ไเนี่ยนี่บ่งบอกถึงเราเสื่อมไปเรื่อยๆนะ ถ้ า, ามาแสดงทุกวันจะเหลือคนฟังกี่คนต้องเลยอามาเพอแสดงอยู่องค์เดียวใช่ไหมลองที่อ้าอามาเกิดนึกอยากจะสรรเสริญคุณของพระบระมา ศ, าศาสดาขึ้นมาเวลาไหนเอามาแสดงทุกวันปรนนาทุกวันเนี่ยถามมีใครกล้ายกมือฟังทุกวันได้ไหมบอกโอไม่ไหวแล้วใช่ไหมไม่ไหวหรอกใครจะไปฟังได้ทุกวันถ้าพะระัลย์ญาติฟังทุกวันยังไงถ้ายังพวกเรานี่โอ้ไม่ได้แล้ว กิเลสกรซหาตามกันเป็นแถวถ้าขนาดจะมานี่ยังขอขออนุญาตกิเลสมาเลยขอมาเดี๋ยวจะไปฟังธรรมสักหน่อยนะถามบอกอ่าไปแล้วรีบกลับนะใช่ไหมเป็นอย่างี้จริงไหมบางทีบอกว่าจะมาแต่เช้ามาหลังเที่ยงเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้กิเลสนี่มันก็กว่าจะแหวกวงล้อม ล, ล, ล, ลงล้อมกรงงกิเลสออกมาได้นี่แทบแย่ใช่ไหม ขนาดแหวกมาแล้วมันยังเรียกกลับมันยังเรียกกลับลองที่เนี่ยพอหยุดบรรยายปั๊บเนี่ยลุมกลับบ้านกันหมดเลยมีใครจะอยู่ทําสมาธิก่อนสิบนาทีไหมไม่มีเลยใช่ไหมรีบเลยไม่รู้จะรีบไปอะไรใช่ไหมแหละเพราะตอนเช้าก็รีบออกจากบ้านตอนเย็นก็รีบกลับกันเคยสังเกตมไหมกอเป็นเรื่องแปลกมากเป็นเรื่องแปลกมาก แล้วเขาหงุดหงิดมากเลยนะถ้ากลับบ้านยังไม่ได้แล้วตอนเช้าก็ออกกันมาแต่เช้าเลยตอนเย็นก็รีบกลับตอนเช้าก็ออกก็มุดเข้ามุดออกกันอยู่อย่างนั้นก็ไม่เห็นโทษของสังสารวัฏสักทีเออประหลาดจริงๆเห็นไหมนี่มันเสือเส่อมไงฉันธท้าเสื่อมการการแสดงธรรมก็คือพระเจ้ า, าเนี่ยแสดงธรรมไม่เสื่อมออามีใครบ้างแสดงธรรมได้ทีละสามเดือน เพื่อเจ้าแสดงทำครั้งละสามเดือนก็แสดงอยู่เลยแล้วพระธานาธิษฐานนี่ยนะแสดงแบบไหนก็แบบนั้นแหละไม่มีเปลี่ยนเลยอะยาวมาเนี่ยมาแสดงเนี่ยครั้งที่แล้วแสดงอย่างมากครั้งนี้ยัดชักแปงแปงไว้ย่างเนี่ยนะความเพียรก็ไม่เสื่อมสมาธิก็ไม่เสื่อมปัญญาก็ไม่เสื่อมวิมุตติก็ไม่เสื่อมแล้วก็ไม่มีการกระทําอะไรแบบเล่นๆไม่มีการกระทําอะไรแบบหุนผันหุนหันผันแล่นก็ไม่มี ไม่มีสิ่งที่พยานไม่ได้สัมผัสไม่มีเลยอ่ะในโลกธาตุทั้งสิ้นนะ่ะที่พยาณของพระบรมศาสดาไม่เคยสัมผัสไม่มีไม่มีการกระทําแบบรีบด่วนไม่มีความคิดที่ไร้จุดหมายเอาเรามีไหมแล้วเม่อรอยบ่อยไม่วันวันขนาดฟังคำยังเหมื่อรอยใช่ไหมแต่พระบรมศาสดาจากไม่มีความคิดที่ไร้จุดหมายเลยมีจุดหมายปลายทางที่นั่นเอาของเรามีอนุปาชาปริณิพานเนี่ยเป็นเป้าหมายตรงเพ่งเลยไหม ไม่ค่อยตรงใช่ไหมบางทีเป้าหมายก็เคลื่อนเด้อเคลื่อนเลยตอนนี้ขยับไปกี่มิลแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้ทางไปนิพผานยังตรงอยู่หรือเปล่าไปวัดดูที่ว่ายังตรงอยู่ไหมไม่มีความคิดทิศไรจุดหมายไม่มีการวางเฉยโดยไม่พิจารณาอย่างพวกเราเนี่ยเฉยเฉยแบบอัญญาณุเบกขากับเฉยแบบมีปัญญาเนี่ยอันไหนมีมากกว่ากันสัตว์โลกทั้งหลายที่มีกิเลสโดยมากเฉยแบบไม่มีปัญญา อย่างที่นั่งเฉยๆเยอะอย่าไปคิดว่าสมรวมเนะยบางทีบางคนอายุมากจัไม่นั่งเฉยไม่พูดอะไระแท้จริงเฉยโมหากินเนะยเนี่ยโดยมากไม่รู้ยิ่งอายุมากยิ่งเฉยมากขึ้นแต่ไม่ใช่เฉยแบบฉลังกุเปกขาใช่ไหมถ้าพระสารทั้งหลายท่านเฉยท่านวางเฉยเพราะเป็นมีชวะฉลังกุเปขาอย่างเราเนี่ยมันเครียดมาเยอะวุ่นวายมาเยอะหนักเข้าหนักเข้าหนักเ ข, ข้าก็สมองก็ทํางานไม่ได้ก็เริ่มเฉยนี่เป็นอย่างนี้ งั้นการกระทําเล่นๆการกระทําที่ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนการกระทําที่ผุนผันการกระทําแบบผุนหันทันทีทันใดสิ่งที่พยานไม่เคยสัมผัสไม่เคยสัมผัสด้วยพยานเป็นต้นเหล่านี้การกระทําที่รีบด่วนตลอด ถ, ถึงความคิดที่ไร้จุดหมายความคิดที่ไร้ประโยชน์ไม่ปรากฏในจิตของพระบรมศาสดาการวางเฉยโดยไม่พิจารณาก็ไม่มีการวางเฉยโดยไม่รู้ ตถาคตะกาลังของพระบรมศาสดาเนี่ยสิบประการเนี่ยนะทีนี้รบรมศาสดาเนี่ยคือย่อมไม่ทรงสอนให้คาดเคลื่อนจากโอวาสสามประการคืออย่างนี้ถ้าเราท่านทั้งหลายไปอยู่หน้าที่ไหนไปทํากิจใ ด, ดๆเนี่ยพระเจ้าจะสอนเราตลอดใช่ไหมเธอทั้งหลายจงกระทําสิ่งนี้นั่นประการแรกประการที่สองก็เธอทั้งหลายจงกระทําอุบายนี้ ทำได้อุบายอย่างนี้ประการที่สามสิ่งนี้เมื่อเธอทั้งหลายกระทาจะเป็นไปประโยชน์เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานสิ่งต่างๆเหล่าเนี้เแว่วในกระแสจใจของเราตลอดเวลาไหมถ้าแว่วในกระแสจใจของเราตลอดเวลานั้นแปลว่าสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นนถ้าคิดถึงพระบรมศาสดาก็จะเห็นว่าพระบรมศาสดาคอยพร่ำสอนอยู่ตลอดเวลาใช่ไหม เมื่อเห็นพระบรมศาสดาพร่ำสอนอยู่ตลอดเวลานั่นแหละชื่อว่าพระบรมศาสดานั้นอยู่ใกล้ชิดท่านพุ้นั้นแล้วท่านพุ้นั้นก็ไม่ลาเว้นพระบรมศาสดาเป็นต้นแล้วทีนี้พยานของพระบรมศาสดาเนี่ยนะมีอยู่พยานหนึ่งท่านเรียกว่าพระมหากรุณาสมาปฏิยานของพระธถาคตพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายทรงพิจารณาเห็นด้วยปัญญา พิจารณาเห็นด้วยการเป็นนันมากก็แผ่พระมหากรุณาไปในหมู่สัตว์พระผู้มีภาคเจ้าทั้งหลายทรงพิจารณาเห็นว่าโลกคือสันนิวาสนี่ถูกไฟเผาลุกโชนอยู่ไฟคือราคะโทสะเผาอยู่ตลอดเวลาใช่มพระพุทมศสสดา ก, ก็แผ่มหากรุณาไปในสัตว์ทั้งหลายเพื่ออยากปราถนาจะช่วยสัตว์นั้นให้ออกจากวัฏฏทุก์ พระผู้มีพาะเจ้าของเราทั้งหลายพิจารณาเห็นว่าโลกสันนิวาสได้ยกพลแล้ ว, ลกวยกพลแล้วโลกสันนิวาสเนี่ยเคลื่อนพลแล้วโลกสันนิวาสเนี่ยเดินทางผิดกันเป็นแถวเป็นแนวแล้วมีมิจฉาปฏิปทาไม่ได้เดินมาตามมัชฌิมาปฏิปทาแล้วโลกสันนิวาสนี่ถูกชลานําไปแล้วไม่ยั่งยืนตอนนี้ชลาเบียดเบียนไปไหมลุมล้อมนําไปนะัแล้วยั่งยืนไหมเนี่ยชลาเบียดเบียนไปแล้วไม่มีที่ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตน ไม่มีอะไรเป็นของของตนจําต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปพระบรมศา ส, สดาเห็นชะลานี่นะเต็มกระแสขันของสัตว์ทั้งหลายในจักรวาลทั้งสิ้นเนี่ยเห็นว่าโอ้โหเนี่ยโลกสันนิวาสกําลังเดือดร้อนโลกสันนิวาสกําลังเดือดร้อนละสามระสายกําลังเดินทางผิดกันอยู่แทนที่จะเดินก็สู่มชิมาปฏิปทาก็เดินทางผิดเข้ารกเข้าพงเข้าป่าเข้าวงหนามกันเป็นแถวเป็นแถวใช่ไหม ก็เกิดพระมหากรุณาที่คุณโรคสันนิวาตไม่มีที่ต้านทานไม่มีที่เร้นไม่มีที่พึ่งอโลกสันนิวาตไม่เป็นที่พึ่งของใครจะไปทีในกามะพูมมีที่พึ่งไหมในรูปะพูมมีที่พึ่งไหมในรูปะพูมิมีที่พึ่งไหมในรูปะขันเวทนาสัญญาสังขารจินยานในตาหูจมูกลิ้นกายใจมีที่พึ่งตรงไหนบ้างสมัยเด็กๆเนี่ยเราก็บอกว่ามีพ่อเป็นที่พึ่งอยู่ไหม โตขึ้นมาหน่อยก็คือว่าแต่งงานก็ฝ่ายชายก็หวังภรรยาเป็นที่พึ่งฝ่า ย, ยหญิงก็หวังชายเป็นที่พึ่งนะเข้าน่ะเข้าพึ่งกันได้ที่ไหนตอนเนี้ยใช่ไหมบางทีก็เอาหวังคนนั้นคนนี้เป็นที่พึ่งเนี่ยโลกสันนิวาตไม่มีที่พึ่งโลกสันนิวาตเนี่ยฟุงรรร้งซ่านไม่สงบเพระบรมศาสดาก็แผ่พยานไปนในโลกสันนิวาสนั้นโลกสันนิวาสเนี่ยถูกลูกศรมีลูกศอนใช้ลูกศรเป็นอันมากเสียแทงตนเองอยู่ แทนที่จะไปแทงคนอื่นอยู่ไหมเอาลูกรแทงตัวเองอ่ะราคาเป็นลูกสอนไหมแทงตัวเองทุกวันโทสะก็เป็นลูกศรก็แทงตัวเองทุกวันโมหะเป็นลูกศรก็แทงตัวเองราคะมานาทิถิวิจิกิจฉาแทงอยู่ทุกวันไม่มีใครที่จะปะทุษร้ายตัวเองได้เท่าปุถุชนเนี่ยปุถุชนเนี่ยเป็นคนปะทุษร้ายตัวเองมากที่สุด อาคนที่มีมีดและฟันหัวตัวเองเขาเรียกคนดีหรือคนบ้าดีหรือบ้าถ้ามีราคาโทรศัโมหาแล้วก็แทงตัวเองทุกวันเนี่ยคนดี <c oughs> จะว่าไงเนี่ยแล้วแทงแล้วถอดไม่ออกด้วยแทงก็ถอดไม่ออกนี่เป็นอย่างนี้ภูริจ่าบอกกับโลกสันีวาว่าถ้ามีลูกสอนใช้ลูกศรเป็นมากเสียบแทงตนเอง นอกจากเราไม่มีใครอื่นที่จะช่วยถอนลูกสอนโลกสันนิวาตออกมาถ้าไม่มีพระเจา้พจาพระเจ้ามีคีมเคือเค่องมาร์คยังไงพระ อ, องค์ก็ถอดออกให้ถอนออกให้ลูกสอนเนี่ยเราเป็นคนป่วยไม่เข้าหาหมอไม่ใช่ความผิดของหมอแต่ความผิดของผู้ป่วยตอนนี้เราเป็นผู้ป่วยนะ สัตว์โลกเนี่ยเป็นผู้ป่วยบุตุชนทั้งหลายเป็นผู้ป่วยแล้วตอนนี้กําลังประทุสลายตัวเองด้วยเอาราคะแทงตัวเองเอาโทสะแทงตัวเองเอาโมหะแทงตัวเองเอามานะทิศถิวิจิกิจฉาหยีริกะอนตุตจปาแทงตัวเองเอากายทุจริตวิจิทุจริตมโนทุจริตแทงตัวเองถามบอกว่าที่ไปถูกกระทำํำไปถูกทบถูกตีถูกดา่าต้องถูกตัดถูกเชือด ถูกฆ่าตายเนี่ยมันบาปรกรรมตนเองแท้ทำเองใช่ไหมมนุษย์เนี่ยแทงโดยเองปุถุชนเนี่ยเบียดเบียนโดยเองแท้นอกจากพระบรมศาสดาไม่มีใครที่จะถอนลูกศร อ, ออกได้โลกสันนิวาตมีความมืดเคื่อวิชาปิดกั้นไว้ถูกขังไว้ด้วยกรงกิเลสนอกจากเราเราไม่มีใครอื่นที่จะแสดงทรรมให้แสงสว่างแก่โลกสันนิวาตนั้นได้ถามว่ามันมืด ไอโมหะก็ปิดมันมืดหมดนะมองไม่เห็นพอมองไม่เห็นเบสเสร็จแล้วก็ถูกกิเลสเป็นกรงล้อมเ้าไว้แต่เนี้ยพระบรมศาสดาก็จุดประทีปให้จุดประทีปให้ใช่ไหจะได้ออกจากกรงคือกิเลสที่มันออกไม่ได้เพราะมันมืดไงกิเลสมันก็ล้อม้าไว้ใช่ไหมแล้วมันก็ความมืดก็ปิดด้วยแล้วก็เดินออกจากกรงกิเลสไม่ได้เพราะเราไม่มีปัญญาไม่มีแสงสว่าง พระบรมศาสดาก็แสดงธรรมประดุดดังว่าโยนโยนเทียนให้แล้วก็มีไฟส่องให้โยนปฏิบให้พระองค์ก็โยนมาไม่รู้กี่องค์ต์กี่องค์เนี่ยพระบรมศาสดามาเราไม่รับสกักทีไม่รับปฏิบของพระบรมศาสดาก็แสงสว่างก็ไม่โลกสันนิวาสมีความมืดกับวิชาปิดกั้นไว้ถูกขังไว้ด้วยกรงกิเลสโลกสันนิวาตอยู่ในอำนาจของกวิชามืดมนอวิชาห่มห่อไว้ ยุ่งดุดเส้นได้พันกันเป็นกลุ่มก้อนนะั้นนุ่งนางเหมือนหญ้าป้องนะหรือหญ้ามงกต่ายไม่ร่วงพ้นจากสังสารวัตรกล่าวคืออบายทุกขติวินิบาตในรกเป็นต้นได้นอกจากเราไม่มีใครสามารถที่จะสางเนีนะเพราะว่าอาวิชชาที่มันห่อหุ้มเนะี่ยเหมือนกับเส้นได้อ่ะที่มันพันกันยุ่งมากเป็นกลุ่มก้อนเนะี่ยเราจะสางยังไงระดับปัญญาของเรานี่ไม่ได้แล้ว ต้องอาศัยอย่างพระพุทธเจ้าโลกสันนิวาเนี่ยถูกยาพิษที่มีโทษคือวิชาฉาบทายอย่างหนาแ น, น่นมีกิเลส ท, ที่เป็นโทษถูกยาพิษฉาบไว้หมดนอกจากพระพุทธเจ้าไม่มีใครก็โรคชัดไปได้วยป่าคือราคะโทสะโมหานอกจากเราไม่มีใครอื่นที่ช่วยสางชัดได้เป็นต้นถูกตันหาสมไว้ถูกตันหาครอบไว้ถูกตันหาพัดภัยถูกตันหาเกี่ยวคล้องเขาไว้เป็นไปตามตันหาอุสัยด้วย แล้วก็เร่าร้อนเดือดร้อนเพราะตันหาเร่าร้อนเดือดร้อนเพราะกามาตันหาเพราะว่าตันหาเป็นต้นถูกกองทิถีสมไว้ด้วยไม่สามารถจะออกขายจากทิฐิได้ถูกกระแสะทิถิพัดไปถูกทิถีสั่งโยกคล้องเขาไว้เลยเป็นไปตามทิฐานนุสัยด้วยแล้วก็เดือดร้อนเล่าร้อนเพราะทิฐิชลาก็ติดตามใช่ไหมนี้ว่าถูกชลาติดตามพยาที่ครอบงามรณะก็ห้ามหัน ไอ้ชลามันก็ตามไปพญาทิศก็เข้ามาครอบงําเลยเนี้ยพอครอบงำเบ็ดเสร็จก็มรณะก็คอยจัดการอยู่อย่างเนี้ยตายแล้วตายเล่าไอ้มรณะคอยตัดกระแสของรูปไปชีวิตนามไชีวิตที่สุดจริงๆก็คือว่าโลกสันนิวาสถูกผูกไว้ด้วยเครื่องผูกเปน็นมากได้แก่เครื่องผูกคือราคะตัวสามโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจชาหินิการนุตตปะ กายยทุจริตวจียทุจริตมโนทุจริตพ่อปรมัสสะสด า, า, สดาก็บอกว่านอกจากเราไม่มีผู้ที่จะช่วยแก้เครื่องผูกให้กษัตริย์โลกเป็นต้นได้โลกสันนิวาสเนี่ยดําเนินไปสู่ทางที่คับแคบมากนอกจากเราไม่มีใครที่จะช่วยที่จะชี้ทางสว่างให้แก่โลกสันนิวาตได้โลกสันนิวาสถูกเครื่องกั ง, งวลเป็นอันมากพัวพันก็ไว้นอกจากเราไม่มีใครที่สามารถจะช่วยได้เป็นต้นนะเนี่ยนะ พอระรามศาสตาก็มาพิจารณานะว่าโลกสันนิวาสตกอยู่ในเหวใหญ่นอกจากเราไม่มีใครอื่นจะช่วยฉุดสัตว์โลกให้พ้นได้โลกสันนิวาสเนี่กันดานมากทุกวันนี้กันดานมเจ้าละกันดานเยอะมากใช่ไหมพยาธิกับกันดานโว้กันดานว่าโรคภัยไข้เจ็บนะอาหารกันดานไหมตอนเนี้ยกันดานไม่กันดานไปที่ไหนก็มีอาหารกินเนี่ยโอยพิษเต็มไปหมดเลยใช่ไหมกันดานแล้วตอนนี้กันดานแล้ว สารพิษเต็มไปหมดไหมเต็มไปหมดอาหารก็กันดานที่อยู่กับกันดานมลพิษก็กันดานกันดานหมดตอนนี้เดือดร้อนระส่ำระสายเบียดเสด็จเนะ่เพราะเราได้ผู้นําไม่ดีไงผู้นําโลกต้องระดับพระพุทธเจ้าใช่ไหมถึงจะนาออกจากเครื่องกันดานทั้งหลายโลกสันนิวาสเดินไปในสังสารวัฏอันใหญ่โตนะ ถามบอกว่านอกจากเราไม่มีใครอื่นที่จะช่วยสัตว์โลกให้พ้นจากสังสารวัตได้โลกสันนิวาสนี่เกลือกกล้วอยู่ในหลุมใหญ่นอกจากเราไม่มีใครอื่นจะฉุดโลกสันนิวาตให้พ้นจากหลุมใหญ่นั้นได้โลกสันนิวาสนี่เกลือกลึ้งอยู่เกลือกกลิ้งอยู่ในเปลือกตมที่กว้างใหญ่นอกจากเราไม่มีใครจะให้สัตว์นั้นพ้นจากโลกสันนิวาตที่กล่าวคือเปลือกตมเป็นต้นเหล่านั้นได้โลกสันนิวาสนี้เดือดร้อนเพราะราคะโทสะโมหะ ชาติชลาพยาทิมรณะโสกกาบริเดวทุกโทมรณะาาอุปายาตนอกจากเราแล้วไม่มีใครที่ช่วยดับไฟที่ไฟสิบเอ็ดกองเผากระเสือกระสนดิ้นรนกันเจ็บปวดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยถูกเครื่องโผกพรเจ้าก็บอกว่าโลกสันนิวากไม่มีที่พึ่งนากรุณาหน้าสงสารอย่างยิ่งนอกจากเราไม่มีใครอื่นที่จะช่วยได้เลยว่างั้นนะโลกสันนิวาถูกทุกเสียบแทงบีบคั้นมานานแล้วแล้วก็ ติดใจก็หายอยู่เป็นนิดโลกสันนิวาทนี้เป็นโลกที่บอดด้วยมืดด้วยหนวกด้วยเนี่ยนะโลกสันิวาทนี้มีจักสู่เสื่อมเสื่อมไปหมดแล้วไม่มีผู้นําแล้วโลกสันิวาทไม่มีผู้นําเอาในโลกเนี่ยนะในกาลมาภูมิรูปภูมิมารูปภู ม, ภมิมีผู้นําที่แท้จริงไหมนอกจากพระเจ้าไม่มีแล้วเสื่อมจักษุของสัตว์เหล่านั้นเสื่อมมองไม่เห็นทางออก ไปสู่ทางที่ผิดหลงทางนอกจากเราไม่มีใครอื่นที่จะช่วยนําพาสัตว์โลกนั้นเนี่ยให้เข้าสู่ทางของอริยะได้พระบระมศา ส, สดาคิดอย่างนั้นเบ็ดเสร็จปะหาหุณทางในการที่จะแก้ไขให้สัตว์นั้นน่ะได้รับความสะดวกสบายเป็นต้นเหล่าเนี้ยนะในการที่จะเข้าสู่ทางของอริยะเป็นต้นเหล่าเนี้ยฉะนั้นในคุณของพระบระมศาสด า, สดาดังกล่าวแล้วนะ พระมหากรุณาที่คุณก็ดีพระปัญญาคุณเป็นต้นก็ดีที่เป็นตัวเกื้อหนุนบา ร, รมีที่เราจะศึกษาบา ร, รมีทํากันเนี่ยนะพระพุทธเจ้านั้นทรงเข้ามหากรุณาสมาบัติทุกวันทั้งเย็นและเช้เชาสิบสองแสนโกรธครั้งเข้าพระสมาบัติก็ประมาณสิบสองแสนโกรครั้งรวมเบ็ดเสร็จก็มหาวชิรยานที่สัญจรไปในกระแสกมลสันดานของพระบรมศาสดายี่สิบสี่แสนโกรนี่นะนการจะพารนาคุณของพระบรมศาสดานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอะ่ะ ว่างั้นนะพระพระุทธเจ้าด้วยกันภาณนาคุณของพระบรมศาสดาด้วยกันได้แต่ขนาดกับนี้ล่วงไปแล้วคุณของพระบรมศาสดาก็ไม่จบไม่สิ้นเนี่ยนะความที่คุณของพระพุทธเจ้านั้นลึกซึ้งกัมภีรภาพเป็นบุกเมื่อบุคคลละลึกถึงมรรสการพุทธานุสติฌานจริงไม่เกิดเข้าใจยังฉะนั้นคนเจริญพุทธานุสติทำไมถึงฌานสมาบัติไม่เกิดได้เพียงอุปจารลสมาธิเหตุที่ได้เพียงอุปจารสมาธิเพราะกุทธคุณเนี่ย ตรัดไว้โดยการที่กว้างขวางลึกซึ้งสุขุมกัมพีระภาพคนมีปัญญามากเจริญพุทธคุณได้แต่ก็ไม่สามารถจะนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวได้เพราะอารมณ์เป็นปร ม, มัตถธรรมเป็นสภาวะธรรมฉะนั้นพิจารณาอย่างนี้แล้วคุณของพระบรมศาสดานั้นจึงยังอุปจารลสมาธิให้ตั้งได้สามารถกำจัดธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิคือคนที่เจริญพุทธคุณนี่นะ พอเจริญไปจเจริญไปแล้วเนี่ยจะละกามฉันทะได้คือความกำหนัดยินดีจะละพยาบาทได้จะละทีนามิท้าอุทธาจักกุกุจาวิจิกิชาเป็นต้นได้จะละอวิชาคือความไม่รู้เนะจะละอารติความไม่ยินดีนะแล้วจะละอกุศลธรรมโดยตโดยวิคัมพนะได้ก่อนเบื้องต้นนี้นะแล้วท่านก็จะเดินต่อสามารถบรรลุ เป็นพาริยะบุคคลเป็นต้นได้ฉะ น, นั้นฌานไม่เกิดจะมีเพียงอุปจาระปุรุชนเมื่อก่าวยกย่องตถาคตก็กล่าวเพียงได้เล็กน้อยตามต้อยเพียงแค่ระดับศีลไม่ใช่วิสัยของปุริชนทั้งหลายนั่นเองพุทธเจ้าจึงตรัสพุทธานุสติกรมรฐานไว้ถ้าสูงสุดก็คือสำหรับพาริยะมหานามสนาสไัยใดอริยาสาวกรุกและลึกถึงคุณของพระตถาคต สมัยนั้นจิตของพริยาสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกุ้มรุมไม่ถูกโทสะกุ้มรุมไม่ถูกโมหะกุ้มรุมจิตของปาริยาสาวกนั้นย่อมตั้งมั่นดีโดยแท้เป็นต้นเพราะพุทธคุณทั้งหลายไม่พึงคิดดังที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยอาสาธาานัญญาณหกพุทธส婆รยานสิบเวนิกธรรมสิบแปดอันอาสาธนคุณเหล่าเนี้ยจะไม่ดำรงอยู่ในสันดานอุปนิสัยที่มาแต่กําเนิดของภาษาวกเราอื่น ย, ย่อมยุดดำรงอยู่ในกโมลสันดานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นมันเหลวเคยเห็นมันเหลวไหมมันเหลวของสีหะของราชสีย่อมดำรงอยู่ในย่อมไม่ติดอยู่ในภาชนะที่ไม่ใช่ทองคําก็คุณอย่างอื่นมีชานผลมิโรธทัศมาบัตโพธิปักเกียรธรรมเป็นต้นย่อมมีแก่พระเศขาและเศขาทั้งหลาย อันหนึ่งคุณอย่างอื่นเช่นชานาพิญญาศรัทธาก็มีแก่บุริชนทั้งหลายได้